ก็ขอมโมธนาในในรอบที่สามเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วนะก็ค่อยๆค่อยๆน้อยลงแล้วคงจะรีบเร่งไปทำความเพียรกันเพา พอฟังโทษของสังสารวัตบอกอยู่ไม่ไหวแล้วเห็นโทษของสังสารวัตบางท่านมาบอกบอกว่าอนัดนัดกับลูกไว้ซะแล้วเห็นมาบอกอ๋อตันหาเขาก็ซิบดังไปหน่อยทนไม่ไหวคือคือสังสารวัตรเนี่ย โทษภัยต่างๆเหล่านี้ถ้าถามว่าทำไมเวลาจะมากล่าวพระธรรมแล้วก็พยายามชี้เรื่องโทษค่อนข้างมากเหตุที่ต้องการชี้อย่างนี้ก็คือหนึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมเกิดขึ้นจากการไข้ครวรนะและอย่างก็คือได้ความที่ปราถนาเราเราทั้งหลายเนี่ย เวราเจริญหรือศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะ่ยตั้งหลักวิธีคิดหรือทําความเข้าใจให้ให้ชัดลงไปว่าชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่ที่ผ่านผ่านกันมาก็ศึกษาพระธรรมกันพอสมควรใช่ไหมทีนี้ที่พูดไว้เกี่ยวในเรื่องของศรัทธาถ้าไปเชื่อมโยงต่ออีกหน่อยก็คือว่า ศรัทธาในตถาคตาโพธิศรัทธาศรัทธาในการเกิดขึ้นในเชื่อในการปัญญาตรัสรู้ดีของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยที่ท่านพระนาคเษนตอบพญานิมิลินที่บอกว่าอุปมาไงที่อุปมาบอกว่าตัวศรัทธาเนี่ยที่เป็นสัมปักขันธนะศรัทธามีลักษณะเป็นอย่างไร ก็คือตัวสมปักขันธนาทธานั้นก็มีรักหนาการแล่นไปเป็นต้นแล่นไปไหนก็ต้องบอ ก, บอกว่าว่าอุปมาเหมือนกับพโยขาวาจรเห็นจิตของภิกษุเหล่าอื่นพ้นจากกิเลสใช่ไหมถ้าถามบอกว่าราคาโทสะโมหะเนี่ยถ้าพระโสดาบันทานละสกยติถิวิจิกิชาสีระพตาปา마ทาได้ ถ้าตามนัยยะของพระวิธรรมเนี่ยละทิฐิกวิจิกิชาได้หรือพูดให้ชัดลงไปก็คือทิฐิกตัตาสัมบยุตตาจิตสีเจตสิกที่ประกอบแล้ก็วิจิกิจชาสัมบยุตตาจิตหนึ่งแล้วก็ยังไป็นละกลุ่มของทิฐิวิบด้วยหรือกลุ่มโทสาเป็นต้นด้วยแล้วก็สัมบยุตตาธรรมเป็นต้นด้วยที่เป็นอปัยยคมามนียัที่นำไปส่วนบาย ท่านจะลั ก, กลุ่มกิเลสเหล่านั้นทั้งหมดที่เป็นปัจจัยในการลงอบายภูมิได้ทั้งหมดเมื่อกาลยานภูติชนทั้งหลายมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาได้ทราบ ก, กระแสจิตของพระโสดาบันอย่างนี้แล้วว่าพระโสดาบันท่านไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานพระโสดาบันนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเนี่ยนะก็หมายความว่าพระโสดาบันจะไม่มีพบที่8 พอรู้กระแสจิตของพระโสดาบันทึ่งท่านตัดราคาโทสะโมหะได้ที่เป็นส่วนแห่งการที่เจ็บลงอบายภูมิแล้วก็วัตตะที่ยืดเยื้ออย่างยาวนานอย่างยาวไกลจงหดมาเหลือเจ็ดไม่เกินเจ็ดที่ว่าความทุกข์ของปุรุชนั้งหลายเหมือนกับเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรเหมือนกับแผ่นดินทั้งโลก แต่ความทุกข์ของพระโสดาบันนั้นเหลือน้ําเพียงเจ็ดหยดเท่านั้นถ้าเราจะไปวิทย์น้ำเนี่ยนะออกจากมหาสมุทรเนี่ยน้ำหมดเมื่อไหร่นั่นก็คือว่าวัดตทุกข์สิ้นเมื่อนั้นแหละแต่คนที่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยแปลว่าตัดความทุกข์ไปหมดเลยก็เหลือน้ําในทะเลหรือในมาหาสมุทรเพียงเหลือเจดหยดหรือถ้าเอาแผ่นดินหรือเอาโลกใบนี้มาตั้งมาวัด ในโลกใบนี้เบ็ดเสร็จก็คือว่ามีเม็ดหินเม็ดกวาดเยอะไปหมดเม็ดกวาดเม็ดหินกรวดและหินที่อยู่ในในโลกใบนี้เหลืออยู่7เม็ดไอ้นอกนั้นกระจัดได้หมดแล้วนั่นคือความเหลืออยู่ของทุกของผู้ที่เป็นพระโสดาบัตและกระแสจิตของท่านที่ละราคาโทสาโมหาได้มารคของท่านที่เกิดขึ้นการประชุมมารคของท่านแล้วละได้เนี่ยพราะท่านคิดอย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ย ท่านเห็นจิตของพระโสดาบันท่านเห็นว่าพระโสดาบันท่านละกิเลสอะไรท่านมีความเข้าใจเมื่อศึกษาอย่างนี้เสเร็จเหมือนเราท่านทั้งหลายที่ไปศึกษากันเนี่ยแล้วก็ไปท่องทิฏฐิคัตาสามปยุติแต่จิตสเจตสิกที่ประกอบเนียละได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ทิฏฐิคัตาวิประยุติแต่จิตสเจตสิกที่ประกอบแล้วก็โทสะบุรจิตสองเจตสิกที่ประกอบ25 ที่เป็นอภัยะคมนิยะที่นําไปสู่อบัยภูมิพระโสะดาบันก็ละได้แต่ว่าท่องเบ็ดเสร็จแล้วมันเฉยเ <c oughs> ข้าใจยัง <c oughs> พอท่องแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร น, ะนี่ละได้ละได้มาเถียงกันอยู่นะเฮ้ละผิดละถูกเลยก็ว่ากันไปเนี่ย น, นี่เขาเรียกว่าไม่เห็นไม่เห็นความคิดของพระโสะดาบันไม่เข้าใจหรอกว่าอัดของความทุกข์ที่เราจะต้องไปประสบมันแค่ไหนทีนี้ ท่านที่ศึกษาและเข้าใจท่านเจาะปุกลงไปเลยโอ้โหพอเห็นแบบนี้เบ็เสร็จศรัทธาท่านแล่นฟื้นไปเลยพอศรัทธาแล่นไปในพุทธคุณแล่นไปในธรรมคุณสังคคุณพอศรัทธาแล่นไปเบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วตั้งมั่นในคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ตั้งอัธิยาใสายเลยความเพียรของท่านเริ่มตั้งขึ้นมาเลยนะไอความเพียรที่ตั้งขึ้นนะว่าต้อง เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงคือโสดาบันเนี่ยต้องเข้าให้ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุคือโสดาปฏิพล้องให้ได้ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งก็คือพระนิพพานของพระโสดาบันเพื่อจะได้ตัดวัดตตะทุกอันยืดเยื้อเหล่านี้ออกจากกำมลสันดาลของเราให้ได้ทำลายกระแสขันทั้งหมดให้ได้ ทำลายวงจรของกรรมที่มันจะส่งผลอย่างยืดเยื้อในสังสารวัฏธไธด้เพราะท่านคิดอย่างนี้ท่านก็แล่นเลยศรัทธาท่านแล่นนี่เขาเรียกว่าแล่นไปศรัทธามันแล่นไปแล่นไปด้วยาการอย่างนี้ถ้าหากว่าศึกษาสุตะปุ๊บแล้วมันไม่แล่นแปลว่าไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาประเภทนี้ที่เขาเรียกว่าสามปักขันธนะศรัทธามันไม่มี ก็แปลไม่มีศรัทธามีแต่เลื่อมใสศรัทธาใม่ศรัทธาใช่ไหมแต่บางท่านน่ยไม่ได้แล่นไปแค่โสดาบันนะมุ่งมั่นเนาะสกาธาอนาคาหรือเป็นพระอรหันเพื่อจะถึงอรหตมรักเพื่อจะบรรลุอราัตผลเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิพพานของพระอรหันบางคนแล่นเลยไปจนถึงใช่ไหมอัครส า, าวกมหาสาวกมาอัครส า, าวกบางคนแล่นเลยไปนู่น เป็นพระประเจกะบางคนก็แล่นเป็นสัมมาสมุทัยนี่ศรัทธามันแล่นอย่างนี้อาการของศรัทธามันแล่นไปอย่างนี้ท่านทั้งหลายมันเคยแล่นบ้างไหมต้องดูที่มันเคยแล่นไปแบบนี้ไหมถ้าแล่นอย่างเนี้ใช่แล้วศรัทธาถ้ามันงอหนีเลยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วยังไงท่านบอกที่ขันโ อ, อมมาขนไก่อะเวลามันโดนไฟอะ่ะมันงองอหนีไฟอย่าให้ศรัทธาเป็นอย่างนั้น อันนั้นเขาอุปมาเหมือนกิเลสถ้าเห็นกิเลสเห็นวัตถุกรรมมันงอหนีอย่างนี้อย่ะงนีนนใช่อันนั้นเป็นไปในกลุ่มของปัญญาทั้งหลายเป็นต้นเลยอันนี้ก็ไปพิจารณาอย่างนี้ว่าศรัทธาเราท่านทั้งหลายมันมีสภาวะในการแล่นไปอย่างนี้หรือยังถ้ามันยังไม่ไม่เคยแล่นเลยหรือไม่เกิดเลยเนะี่ยแปลว่าเพิ่มยังไงอย่างนี้แสดงเห็นชัดว่าเราเลี้ยงศรัทธาไม่แข็งแรงแล้วอะไรเราเป็นปัจจัยเป็นปฏิปักษ์ในการ ถามว่ารู ป, ปกายเราทําไมดูแลดีได้รูปขปันเนี่ยเวลามันจะหิวหน่อยก็ดูแลดูแลดูแลใช่อหมตอนนี้วิตามินนั้นขาดวิตามินนี่เกินเลยก็ว่ากันสารพัดเลยเนี่ยนะเอตาสักไม่ค่อยดีวิตามิน A หรือว่าก็ว่าไปเงี่ยนะวิตามินอะไรขาดก็ว่ากันไปดูท่านซืสิทธิ์นะไปต้องใส่วิตามินตัวนั้นขาดมันน้งเราดูแลกันอย่างดีเนี่ยนะบางคนให้ดูแลซะจนโหเกินเลยด่นแล้วก็แ ล, ก, แลก็เป็นภาระเลย แดูแลรูปอาการเกินศรัทธาเนี่ยให้มากไปเถอะให้จริงๆสําคัญเราเราเลี้ยงศรัทธาจน้อมให้สังเกต ด, ดูนะว่าในในพระศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าเนื้อเลือดท่านไม่เสียดายเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าทํายังไงจะเพิ่มอินทรีย์ทำงไงจะท่านบนรรลุท่านจะถึงแล้วก็บรรลุแล้วก็ทําให้แจ้งนั้นท่านท่านตัวอันนั้นเป็นตัวตั้ง แปลว่าเรื่องนา ม, มาธรรมเนี่ยท่านเห็นความสําคัญมากในเรื่องของสติปัฏฐานสมบปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พระรพชฉงอริยมรรคเนี่ยในเรื่องของศรัทธาอรยาิยสติสมาธิปัญญาท่านให้ความสําคัญมากว่าเราจะดูแลยังไงเราจะพัฒนามันยังไงเราจะให้อาหารยังไงทีนี้โดยมากเราไปเรียนรู้กันเบสเสร็จเราไม่เราไม่เคยสนใจเขาเลยไอ้ตรงเนี้ ย, เ, ยรเราเราต้องไปดูเนี่ยตรงนี้ถึงบอกว่า ได้บรรลุคุณวิเศษที่ตนยังไม่ได้เป็นต้นเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานที่ตนยังไม่ได้ทําให้แจ้งข้าแต่มหาราชสัำปักขันธนัตตาคือมีลักษณะแล่นไปสู่คุณเบื้องสูงขอถวายพระพรเป็นอย่างนี้พระราชาก็ตรัสถามบอกว่าให้อุปมาสิท่านอุปมาบอกว่าอุปมาเหมือนกับเมฆใหญ่บรรดาฝนที่ตกลงมาสู่ภูเขาเนี่ยน้ําฝนนั้นก็ไหลไปสู่ที่ต่ําแล้วนักเข้าน้ําฝนที่ไหลไปสู่ที่ต่ํานั้นก็ซอกเขา ห้วยละหานก็เต็มทำในที่สุดจ า, จากจากซอกเขาเต็มจากห้วยเล็กๆเต็มบึงใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เต็มแล้วก็ทําแม่น้ําให้เต็มแม่น้ํานั้นเต็มเปลี่ยมทั้งสองฝั่งเมื่อเป็นเช่นนี้มหาชนก็พากันมาเพื่อมาเพื่ออะไรเมื่อไม่ทราบถึงความตื้นหรือความลึกของแม่น้ําก็กลัวจำไหมเห็นโอ้โหน้ํามันเยอะในแม่น้ำเต็มฝั่งล้นฝั่งเลยเพราะคนจะข้ามเนี่ยชะ ง, งักไม่กล้าข้าม ก็กลัวทีนี้ต่อมาก็มีบุรุษบางคนมาเห็นแล้วรู้รู้ถึงเลี้ยวแรงรู้ถึงกําลังของตนเราลองคิดดูที่ว่าศรัทธาของพระโพธิสัตว์ของสัมมาสัมโพธิสัตว์ศรัทธาของพระปะเจกพระโพธิสัตว์ศรัทธาของพระอัครส า, าวกโพธิสัตว์เป็นต้นท่านเห็นน้ําขวางหน้าเนี่ยท่านไม่กลัว ท่านไม่กลัวเหมือนบุรุษใจเพชรนี่นแหละท่านมีความกล้าที่จะข้ามท่านคำนวณถึงว่าเลี้ยวแรงเช่นเราท่านดูเลย ว, ว่าศรัทธาอย่างเราวิริยะอย่างเราสติสมาธิปัญญาอย่างเราเนี่ยอย่างนี้ไหวนีไหวแล้วก็นั่งไปนั่งขีดดูใช่ไหมว่าเราไหวไหมก็ไปขีดดูตรงเนี้ยพอหลังจากเบสเสร็จแล้วท่านก็รวบรวมเลี้ยวแรงของท่านทั้งหมด แล้วก็จัดแจงสรีระของท่านให้ชัดเครื่องแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมแก่การนั่นก็ทําให้มันเหมาะสมตามสถานะนั้นแล้วท่านก็ลุยแล้วก็ไหวแล้วก็ข้ามแล้วไม่ใช่แค่นั้น น, นนะพอท่านเริ่มไปอย่างนั้นเบเสร็จบุคคลที่ ก, ก, ก, กล้ากลัวทั้งหลายเห็นอย่างนั้นแล้วก็ตามเลยก็พากันเอ๊ะมันข้ามได้ ไม่ใช่เขาข้ามไม่ได้ก็พากันตามบุรุษคนที่กล้าที่สุดเนี่ยศรัทธาเหมือนบุรุษที่กล้าน่แหละวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งหลายหรือกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายอะ่ะก็จะตามศรัทธามุ่งแล่นไปตามศรัทธาเพื่อจะข้ามจากไอ้คลองหรือห้วยน้าหรือว่าแม่น้ำใหญ่อันนั้นตรงนี้แหละในคมพีสังยุตท่านจึงบอกท่านบอกศรัทธาตรติโอคัง อปมาเดนะอันนวังวิริยนทุกมาเจติปัญญายาปริสุทธิ์ติท่านบอกเขว่าบุคคลจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาเอาทีนั้นแต่จะข้ามกามโมค้าพระโมคะที่โถควิโชคะเนี่ยถ้าคุณไม่มีศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาเป็นต้นคุณหมดเสร็จข้ามเลยคุณข้ามไม่ได้หรอกจะข้ามระดับกว้างขนาดไหนโอค้ขนาดไหนเลย แบบประเภทตนเองข้ามโอคาแล้วจะทําให้คนอื่นข้ามด้วยอัอนนี้ต้องต้องไม่น้ํากว้างมากมหาสหมุทรนั้นกว้างมากแล้วในมหาสหมุทรเนี่ยมันมีภัยเยอะเนียใช่ไหมมีเจอร์ลเคมีสัตว์ร้ายอีกเยอะแยะหมดปลาลายทั้งหลายเยอะแยะจะข้ามยังไงใจถ้าไม่ถึงข้ามไม่ได้ทีนี้ถ้าไม่ข้ามแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ อยู่ฝั่งนี้ก็คืออยู่กับตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเราก็ถูกฆ่าอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นคันถึงบอกว่านั่นแหละถ้าลุยข้ามไปเบ็ดเสร็จแล้วก็จะนำกุศลธรรมทั้งหลายมุ่งหน้าอยู่มุ่งหน้าจะข้ามอันนอบได้ด้วยความไม่ประมาทจะร่วงทุกได้กเพราะความเพียรจะบริสุทธิ์ได้ดเพราะปัญญาถามอกว่าบุคคลจะข้ามโอคาสีได้ด้วยศรัทธา จะข้ามอันอั น, นอันนบหรือแม่น้ำได้ได้ได้ไดไดสตินั่นแหละด้ความไม่ประมาทนั่นแหละจะร่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรอยมั้ยแล้วก็จะบริโภคได้ด้วยปัญญาสรุปแล้วก็คืออะไรนะศรัทธาสติวิริยปัญญานี่ท่านแสดงอะไรเนี่ยแสดงอริยมรรคใช่ไหมสมาทิฏิสม า, ส, มาสติสมาวิมารก็คือท่านแสดงมรรคนั่นแหละ แต่ท่านมาแสดงโดยฐานะเอาปัญญานำเอาปัญญาที่ไหนถามบอกว่าท่านทั้งหลายจะประชุมเอกยนัมมร์เนี่ยท่านจะประชุมมร์เนี่ยต้องถามว่าท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไหมศรัทธาจะกระพนทุกข์ไหมเออศรัทธาไหมถามว่าถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆเจาะให้ลึกจริงๆต้องถึงสภาวะพุทธะเนี่ยสภาวะพุทธะก็คือสภาวะที่ไปตัดสลุอริยสัจได้อะ สภาวะอันนั้นน่ะได้โดยตนเองโดยการที่ไม่ได้มีครูอาจารย์สภาวะที่ไปแทงตลอดทุกขสัตริย์ด้วยการกําหนดรู้สภาวะที่ไปตัดสรู้สมุทัยยะสจ่าด้วยการละโดยไม่สิ้นโดยสิ้นเชิงน่ะสภาวะนิโรธพุทธะอย่างหนึ่งก็คือว่าแทงตลอดนิโรธด้วยการกระทําให้เป็นอารมณ์หรือกระทาให้แจ้งน่ะแล้วก็สภาวะพุทธะที่ก็คือว่าประชุมมรรคอรหัต h a m a k ที่สูงสุดนั่นแหละนั่นแหละสภาวะพุทธะอันนั้นแหละ สภาวะที่ไปรู้ทุกขสัตว์ลาสมุทายาสัจธรรมนิโรธาสั จ, จให้แจ้งแล้วก็ประชุมมรรคสัตว์นั่นแหละสภาวะนั้นนั่นแหละเขาเรียกสภาวะของพุท ธ, ธก็คือสภาวะที่ดับวัต ถ, ถุทุกได้แล้วก็ประกาศทำเป็นเครื่องดับวัต ถ, ถุทุกทำที่สภาวะพุท ธ, ธประกาศคือสภาวะที่ดับวัต ถ, ถุทุกนั่นก็คือ เกี่ยวกันในเรื่องของในส่วนของสติปัฏฐานเป็นต้นสูงสุดก็คืออริยมรรคอริยผลและนิพพานนั่นคือสภาวะที่เป็นธรรมะสภาวะสังขาก็คือตัดสรู้ตามสภาวะพุทธะเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นพุทธะธรรมะสังขารวมกันก็เป็นสภาวะความดับชาติทุกชะลาทุกมรณะทุกขโสกกปริเทวทุกขโทมน า, าสตัตวุปายา ตรงนี้ถ้าถามบอกว่าการที่จะร่วงชาติทุกข์ชรลาทุกมรณะทุกข์เป็นต้นได้เนี่ยก็ต้องความเพียรจะบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมห oh ะได้ก็ด้วยปัญญาฉะนั้นคนที่ที่จริงก็คือตัวศรัทธาจริงๆโดยสภาวะก็คือสภาวธรรมแต่ตัวศรัทธาตรงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ปัจจัยในการหล่อเลี้ยงไม่ได้อาหารทีนี้ปัจจัยในการที่จะหล่อเลี้ยงจะทําให้ศรัทธาหรือสตจตินซีเกิดขึ้นมาเนี่ย ตรงนี้ก็ต้องอบลมต้องให้อาหารยังไงต้องให้ข้อมูลยังไงต้องให้คําสอนอยังไงฉะนั้นเมื่อศรัทธาตั้งได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยโดยชนิดที่ไม่หลงทิศหลงทางแล้วเนี่ย เ, ยเมื่อตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างได้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยสภาวะของศรัทธาเหล่านั้นก็จะแล่นไปนําหน้าเนาะแปลว่าอือพอแล่นไปเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาคุณธรรมทั้งหลายก็ตามเลย ท่านถึงกล่าวในฐานะว่าเป็นสัมปกคันธนะสัทธาในตามหลักฐานต่างๆที่ยกขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าเออในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านกล่าวเรื่องของศรัทธาเอาไว้เนี่ยถามว่าไม่ใช่กล่าวเพียงแค่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ก็ต้องกล่าวในกรณีการเชื่อมโยงพระธรรมคาสอนหมวดอื่นเพราะจะเห็ด้ว่าเออศรัทธาเนี่ยเห็นไม ถ้าเรากล่าว่าเราศึกษาในด้านของโสมนทธรรมเนี่ยศรัท ธ, ธาสติหิริอัตตาโลภะอัธธธตโทสาตตะรมัจจาตาท่านก็เก่าศรัท ธ, ธานำไว้อยู่แล้วอันนั้นเป็นข้อบ่องบอกว่าฉะนั้นเราก็จะต้องดูลักษณะรักษาปรพยุประฐานประทัดฐานของศรัท ธ, ธาดัธธางธธที่ได้กล่าวบอกมีความเชื่อแล้วก็ปักใจเชื่อเป็นต้นเหล่านั้นน่ะก็คือกิจของศรัท ธ, ธาก็คือเกิดร่วมกับความป่องใสอุปมาเหมือนแก้วแก้วมณีดังที่ได้กล่าว แล้วกิจก็คือมีการแล่นไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้าแล่นไปสู่พระโสโดาบันเป็นต้นสกาทานาคาเป็นพระรสารเป็นต้นแล่นไปสู่ในการที่จะปรารถนาต่างๆเหล่านั้นต้องมาจากศรัทธาเป็นตัวหนุนเนื่องและปรากฏในปัญญาของประโยคาวาจรทั้งหลายเป็นธรรมที่มีความขุ่นมัวหรือเป็นธรรมที่มีความน้อมใจเชื่อ ก็คือคนที่มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาท่านรู้เลยว่าตอนเนี้ยศรัทธาขท่านเกิดและศรัทธาตั้งถูกหรือไม่ถูกคนมีปัญญาท่านก็คัดสรรแล้วก็จัดสรรได้แล้วมองคนอื่นก็รู้คนศึกษาเรื่องศรัทธาดีเนี่ยดูก็รู้ว่าศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระุทธเจ้าแค่ไหนอย่างไรอันนี้เขาดูก็รู้มันจะปรากฏแก่ปัญญาของผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายก็จะรู้ว่าท่านทั้งหลายมีศรัทธาโดยเฉพาะปัญญากับพระพุทธเจ้าของสาวกของพุทธเจ้าที่แล้วเนี่ยมองเลยทะลุทะลวงหมดเลยว่าท่านผู้นี้ศรัทธาไหมใช่ไหม อย่างเมื่อเราไปไปสักการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่เราสวดมนต์กันทั้งท่านทั้งหลายใช่ไหมที่สวดมนต์เนี่ยหรือสาธยายสวดมนต์กันสวดมนต์ทําวัดทั้งหลายเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยที่บอกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของนอบน้อมพระผู้มียพระภาเจ้านอบน้อมพระธรรมนอ น, น้อมพระเดียส่์เป็นต้นอะไรในขณะที่เราตั้งมั่นในการที่จะระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นอลไรเนี้ยในการที่นอบนอ้อมอย่างที่เราสวดกันใช่ไหมโดยมากที่เราสวดกันโดยทั่วไปก็คือ ท่านี้บททำธรรมวัดสวดมนต์เนี่ยพุทโธสุดๆโธกรุณามหัน โ, นโวเป็นต้นหลายๆหลายๆท่านนี่เนี่ยอาตมาก็ถามบอก เ, อเวลาไปทําวัดสวดมนต์เนี่ยเคยเคยเกิดความลึกซึ้งในการสวดไหมยยอมเป็นกันบ้างเช่นสมมติเราไปสวดทําวัดหลายๆคนเนี่ยจะทําวัดสวดมนต์บ่อยๆ้ยเวลาที่เราสวดกันเนี่ย สวดมนต์เพื่อจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้จิตที่เกิดขึ้นจากการสวดที่บอกว่าพุทโธสุสุโธกรุณามหันตวนุโยจันตสุธาภรยานโรจโนโรโลกัสสาปาภูกปกิเลสคาตโกวันทามีพุทธังอางมาทะเลนตังถามว่าพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ถามว่าพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์นี้เป็นการสรรเสริญคุณของพระทธเจ้าด้านไหน ภาะบริสุทธิ์ที่คุณใช่ไมมีพระกรุณาดุจห่วงมหันนบอันนั้นสาเสริญในด้านของพระมหากรุณาที่คุณแล้วก็พระองค์มีตาคือยานันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดอันนี้คือปัญญาคุณใช่ไหมเป็นผู้ฆ่าเสรยซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระเจ้าพระ อ, องค์นั้นด้วยความเคารพเอื้อเฟือเป็นต้น ให้สังเกตดูนะว่าบางครั้งในขณะที่สดวดเราก็ลืมโอ้ตอนนี้กําลังน้อมพระคุณสามประการคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาคุณอะไรก็แล้วแต่นี่นะก็ชื่อว่าเป็นการน้อมแ ล, ล, ล, ล, ล, ละลึกถึงคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นเงี้ยถึงบอกว่าเวลาเราสวดสวดรละลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาอย่างเงี้ยก็ถามว่าเออในกระแส ขันท่าเตยตนะของท่านทั้งหลายที่กําลังเป็นไปเก่การนอบน้อมและการแปลงวัจีเพศคือการกล่าววาจาออกมาในการกล่าวฉะนั้นในขณะที่เรากล่าววาจาวออกมาใช่ไหมใจก็น้อมสวดเพราะว่าจิตเนี่ยกิริยาที่นอบน้อมที่ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมเนี่ยเป็นต้นเนี่ยกิริยาที่นอบน้อมนี่ต้องเกิดที่หลังจิตจิตนั้นต้องนอบน้อมเป็นไปก่อนเมื่อจิตนั้นนอบน้อมเป็นไปก่อนแล้วจิตนั้นก็ทําจิตแตชื้อโรคไม่เป็นไป จิตตชโลปนั้นก็เกิดความเมื่อเป็นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นปัจจัยแก่การยังรู ป, ปากายให้มีการนอบนอบ้อมมีการประนมมือมีการโค้งกายในการเขานับวาจาก็เปล่งไปตามกระแสใจที่มีการนอบน้อมคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นเห็นพระคุณของพระบรมศาสดาว่าพระบรมศาสดานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์มีบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์จากราคาโทรศัมมโมหะจริงๆ พระ อ, องค์บริสุทธิ์ทุกส่วนรู ป, ปรกายขององค์ก็เ บ, ร, บริสุดใช่ไหมถามว่าถ้าต้องการอยากจะดูว่ารู ป, ปรกายรู ป, ปรขันของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์แค่ไหนอย่างไรก็ไปดูในลักขณะสูตรดูมหาปุริสระละคณาสามสองประการและนุพยเยชนะ80บถามว่าสิ่งต่างๆนี้เราจะต้องได้ศึกษาในสัมภาราวิบากไม่ได้ศึกษาแ น, น่นอนถ้าเวลาเจาะตรงนั้นไปถึงใช่ไหมก็จะต้องไปดูคุณของพระพุทธเจ้าในส่วนของมหาปุริสระละคณา แล้วก็อนุพยัญชนะอีกแ0สิบแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังในคนของในคำบีสัมภรย์บางเนียยังพรลานาถึงมงคล1 0ร้อยแปดในฝ่าพระบาทของพระเจ้าด้วยแล้วก็ไปดูอัฏถะของพระธรรมในมงคล1 0ร้อยแปดประการเนี่ยว่าว่าทำไมจึงกล่าวว้อย่างนั้น ก็ไปสืบ ค, นค้นกัมพีมาใคร่ครวนมาพิจารณามาวิจัยเพื่อเห็นความตัดสู้ดีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆพระเจ้านั้นอ่ะอย่าว่าแต่นามมาทำบริสุทธิ์เลยแม้รูปธรรมก็บริสุทธิ์คนที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาระดับว่าบรมศาสดานั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์มีความหมดจดมีความสะอาดอย่างไรเนี่ยเราก็ไปเจาะเห็นดูสภาวะเพื่ออะไรให้อาหารของสัตตินรีวิริยินสีสติินสีสมาตินสีและปัญญินรีเป็นต้นถามว่าเมื่อ อินทรีย์เหล่านี้เราบ่มเราเพาะเราเลี้ยงดีแล้วเราให้อาหารดีแล้วเราประครบประงมดีแล้วเราแยกออกมาจากอินทรีย์ธรรมดาเหมือนเราได้ลูกโคลูกวัวดังที่ได้กล่าวของอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยเมื่อเราได้มาเบสเสร็จแล้วเรามาทำยังไงเราก็มาให้อาหารมาเพาะมาเลี้ยงดูดีแล้วมันแข็งแรงที่แปลว่ามันเป็นโคเป็นวัวที่มันมีประโยชน์แลวมีค่าแล้ว ถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วอย่างนี้มันเริ่มใช้ได้แต่ถ้าตาบใดเราไม่แยกออกมาเนะี่ยแล้วมาให้อาหารอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะในที่สุดจริงๆมันก็เป็นวัวถูกเชือ่อใช่หมนั้นกระแสะของขันทาตายตนาทของเราท่านทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยถ้าเราไม่บ่มเพาะพุทธคุณเ็นต้นเหล่านี้นะให ให้อย่างตั้งมั่นลงในกระแสะขนันท่าพยาธินะให้ชัดเจนเนะในที่สุดจริงๆก็จะไหลไปกอดอยู่กับวัตฏะอีกแล้วไม่คิดที่จะเงยออกจากวัตฏะมันจะคิดแค่จะพักจะคู่เท่านั้นเองด้านต่งางๆคิดแค่ว่าเออพอฟังๆหน่อยแล้วมันก็จบลงอีกมันก็จบลงอีกอยู่เนี้ยแล้วในที่สุดจริงๆเราก็เป็นผู้หน้ากรุณากันอยู่นั่นแหละดงนั้นตรงนี้ก็คือต้องถามว่า ถ้าอีกหนึ่งอันตรกรับใช่ไหมลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงหน่อยก็จะพระพุทธเจ้าจะมาตัดด้วเนี่ยอีกหนึ่งอันตรกรับกว่าไอ้ไม่ไม่ถึงดีแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งอันตรกรับเนี่ยไม่ถึงดีแล้วที่จะไปพบพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปในพัฒกับเนี่ยไม่ใช่ท่านบอกโอ้โ oh, หไม่ไหวเลยช่วงที่เจอศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมมา พวกเธอทําไมถึงอ่อนแอกันขนาดนี้เนี่ยแล้วต่อไปโลกก็จะมืดมิดจะเป็นอสุญญากัศอีกขาประมาณไม่ได้คุณก็ไม่เคยสะดุ้งสะเทือนกันเลยว่างั้นนะคุณก็ไม่เคยสะดุ้งสะเทือนกันเลยเนี่ยว่างั้นเห็นไหมว่าไปเจอก็เป็นความลําบากในองค์ต่อไปอีกเพราะเราไม่เลี้ยงอินทรีย์ให้แข็งแรงไม่เลี้ยงภาระให้แข็งแรงไม่ทําอิทธิบาทให้มีกําลัง แล้วมันจะออกจกวตตะได้ยังไงอ้าวปรารถนาพ้นทุกข์แต่ใจในการที่จะน้อมออกเพราะสัตตินรีไม่ไม่แข็งแรงใช่ไหมตรงนี้ยะั้นเหตุผลในการว่าทำไมปริมาณของพระธรรมจึงต้องต้องอัดลงทุกวันมันเหมือนอาหารนำไมต้องกินทุกวันใช่ไหมขนาดกินทุกวันขนาดนี้ขนาดร่างกายยังแทบจะสู้ กับไอโรคภัยแค่เจ็บหรือเกี่ยวกับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มันไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่ไหวเนี่ยใช่ไหมแล้วปริมาณของกระแสขันของเราท่านทั้งหลายถ้าไม่บ่มถ้าไม่ปลูกสัตตินรีวุรียินซีสติินรียสมาตินรียหรือปั่นยินรียลงไปเลยอะแล้วมันจะเงยออกยังไงมันมีช่องออกไหมมันไม่มีหรอกมันไม่มีช่องเลยที่มันจะเงยออกจากว่าตาได้มันก็กอดว่าตากันอยู่นี่แหละ มันเหมือนว่าดีเหมือนว่าถูกเหมือนว่าเข้าใจมันไม่มีหรอกเจ็ดวันบรรลุถ้าในยุคปัจจุบันอย่างเนี้ยนะหมายความว่าในยุคที่ศรัทธาอ่อนๆอย่างเนี้ยมันไม่ใช่มันต้องเป็นเรื่องยาวนานแน่นอนเป็นเรื่องยาวนานเป็นเรื่องบ่มเพาะอย่างแน่นอนที่ก็กอันที่คําว่าเจ็ดวันบรรลุไม่มีในที่หมายความว่าต้องต้องหมายความว่าเนี่ยหมายความว่าบารมีที่ยังอ่อนๆกันทั้งหลายเนี่ยมันมันไม่ได้ มันไม่มีหลักสูตรเร่งรัดมันไม่มีหลักสูตรเร่งรัดเช่นถ้าปัจจัยมันไม่พร้อมเนี่ยมันบรรลุยังไม่ได้แต่ไม่ใช่พรอบอกว่าบรรู้ไม่ได้นะ่ะแปลว่าปิดประตูล็อกประตูแล้วไม่สร้างบไม่สร้างบา ร, รมีเลยอันนี้ปลใหญ่แล้วอันนี้ปลใหญ่แล้วแต่เนี้ยแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นะนั้นเหมือนที่จะบอกว่ายกตัวอย่างว่าอันนั้นคืออาหาร ในการที่บอกว่าพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้มีพระกรุณาดุดห่วงมหานพพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฆ่ากิเลสใช่ไหมราคาโทสาโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิขาหีริการนอตถะอุทธจารในกระแสขันของท่านอีกเกลี่ยงในกมลและสันดานท่านไม่มีเลยพร้อมทั้งพ่วงด้วยวาสนาท่านก็ได้เบ็ดเสร็จ พระ อ, องค์บริสุทธิ์แม้ทั้งรูปทั้งนามของท่านเนี่ยถ้ามองถึงความงามของท่านนี่เนี่ยของรูปประคันแท้จริงก็คือว่ารูปธรรมของผู้ได้เจ้าก็ต้องไม่งามอยู่ดีนั่นแหละแต่ขนาดไม่งามมันมายกแค่สักเรื่องหนึ่งท่านจะเห็นว่าจริงๆว่าไม่งามของรูปประคันของผู้ได้เจ้านี่เห็นยากมากท่านพาน น, นเนี่ยติดตามพระบรมศาสดาประดุดเงาตามตัวตอนนั้นพระุบรมศาสดาพระชนมายุก็ตั้งจะแ80ดิบแล้วเนี่ยมีอยู่คราวหนึ่งท่านก็ถอดพระอังศา ออกจากไรท่านพระน น, นก็เห็นด้านหลังด้านปิสดงด้านหลังมีลอยท่านนนก็อุทานบอกโอ้โหขนาดว่ารู ป, ปกายที่ประดับไปด้วยมหมาปุริสลักษณนะอย่างนี้ยังมีริ้วของชลาให้ปลากฏดนอ้อท่านเสะเทือนเลยบอกโอ้โหชลาเนี่ย เบียดบังได้แม้รูปกายของพระบรมศาสดามันสะดุ้งเกิดความสะดุ้งสะเทือนเกิดขึ้นกับพระเทละท่านอุทานออกมากนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนอนนท์บอกว่าความเป็นธรรมดาของรูปธรรมเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นไม่มีรูปธรรมของสัตว์ในสังสารวัตที่จะไม่มีฉลาปรากฏไม่มีเลย แต่ชลานั้นจักปรากฏแก่กระแสใจของใครหรือไม่ใช่ไหมใครจะเห็นหรือไม่แค่นั้ น, น, นแต่ความชลานั้นมีอยู่ในทุกตัวสัตว์และทุกครบด้วยทุกพบด้ว ย, วยชาติชลาเมรณะเนี่ยมีทุกครบแต่ว่าจะเห็นไหมเพราะแม้แต่น้ำก็มีชลาจะว่าแต่รูปธรรมเลยทีนี้ทั้งๆ ท, งที่ท่าน ก็มาขยายความให้ดูว่าลิ้วที่ผ้านนนเห็นนะเท่ากับเส้นผมเส้นผมแค่นั้นเองที่ลิ้วข้างด้านหลังเนี่ยที่เป็นลอยประมาณเส้นผมของมนุษย์เนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่าพระรูปของพระเจ้านิ่งงามจริงๆแล้วก็เปล่งปลั่งจริงๆมีพระวรกายที่งดงามจริงๆ บ่งบอกถึงกระแสะกรรมที่พระองค์เจตนากรรมที่พระองค์สั่งสมมายี่สิประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับเนี่ยบริบูรณ์จริงๆชนั้นกรรมที่พระองค์สั่งสมมาอย่างยาวนานนั้นน่ยวิจิตมากแล้วก็มีความงดงามมากเวลาให้ในอัตภาพสุดท้ายเนี่ยจึงไม่มีความบกพร่องเลยแม้แต่ น, อน้อยแต่แม้ขนาดนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งของชาติชราพญาทิและก็มรณะเป็นต้นเห็นไหมว่า ความจริงของสปปรรพสิ่งต่างๆที่มันท่วมทัดอยู่ในโลกว่ามีสังขารและโลกต้องเจออย่างนี้ความเป็นสัตว์โลกต้องเจออย่างนี้การภาชนะโลกก็จะต้องมีการแตกดับอย่างนี้พอเราพิจารณาเห็นอย่างนี้เราจะเห็นบอกว่าท่านทั้งหลายจะทําทบุญมาระดับไหนถ้ามีขนาดพระเจ้าแล้วยังมีชลาและพยาธิปรากฏอย่างนี้อันนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าทุกข์สัตย์ไม่เลือกเฟ้นไม่เลือกเฟ้น ไม่เลือกเฟ้นว่ากายนี้เป็นกายของคนมีบุญมากสร้างบรารบีมามากชะลาเขาก็ปรากฏให้เห็นไอตรงเนี้ยเป็นข้อบ่องบอกบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีตาคือยานประเสริฐหมดจดถึงสุดฆ่าเสียซึ่งบาปอุปกิเลตในขันธโลกของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ฆ่าได้เกลี้ยงและในขณะเดียวกันนั้นพุทธศัพท์นั้นก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ฆ่าได้ด้วยเบียดเบียนได้ฆากิเลตของสัตว์อื่นด้วย ฉะนั้นกระแสพระธรรมเทศนาที่หลั่งไหลออกจากขาไทัยของบุรุธเจ้าที่มีมหากริยาญาณสัมยุญนั่นแหละเป็นตัวกระตุ้นเตือนในก็ให้ครูนพิจารณาแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเตือนทําให้มีการหลั่งออกมาจากอกจากหาไทยเป็นปัจจัยแก่ทําให้พระโอษของพระองค์นั้นน่ยเปล่งพุทธวจนะดั้นการเปล่งพุทธวจนะมาหนาถึงพระธรรมนั้นน่ะ ได้หลั่งไหลออกจากพระโอส์การหลั่งไหลออกจากพระโอส์ของพระพุทธเจ้าเบ็ดเสร็จเหล่านี้ทำให้พุทธชิโนโอรสอุบัติเกิดขึ้นเพราะพระธรรมที่หลั่งไหลออกจากพระโอส์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงมีพุทธชิโนรสมีภาษาริบุตรมีพระโมคคัลลานะเป็นต้น